"وَقَالُوا رَبَّنَا آ ت ِ ن َ ا مِلَدُن ك َ ر َ ح ْ م َ ة ً وَهَيْئِ لَنَا و َ ه َ ي ْ ئ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا" وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ััััััััััััััััััั อินนัลฮะมดุลิลลาห์นะฮ์มดุและนะสตางิญุและนะสตักฟิรุแะนะอุบุบิลลาห์มินชุรุริอัมฟุสินะแะมินไซเอตอั์มลินะมี่ยัฮดิลลาห์ฟะลามุลละะมยุลลฟะลาฮดะ أش ดุอัลลอฮิลลอัลลออัลลฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฮฺลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮฺอัอัลลอฮฺฮัลลอฮัลอัฮลฮ Allahumma calla al Muhammad wa alaihi al wa a s h a b i h i wa man tabi'uhu ah um bi ihsan illa yom b i d i n Allahumma bika asbahna wabika a m s a i n a wabika nahya wabika namud wa y l a i k a n nushur. Allahumma บิสมิลิบสมิลลืมลืม <laughs> ดวงาเยอรนะขอบคุณอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และก็อาตาละที่อัลลอ์ให้เราถือสึ้อดวันนี้เป็นวันที่สิบสองอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอ์ให้ฝนตกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอ์ให้อากาศไม่ร้อนขอบคุณอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะกอาตาล เราทบทวนด้นกุรานอ่านด้นกุรานก่อนแล้วก็ทบทวนความหมายของอัลกุรานวันนี้มาถึงซูรออัลกักะฟ์เนี่ยแปลว่าถ้ำคำว่าชาวถ้ำเขาเรียกว่าอัสชาบุลกฟัฟฟชาวถ้ำชาวถ้ำเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่เท่าไหร่ ชาวถ้ำเนี่ยคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยนอนอยู่ประมาณสามร้อยกับเก้าปีสามร้อยเนี่ยสามร้อยปีเนี่ยคิดทางสุริยคติคิดได้สามรอยปีถ้าหากว่าคิดทางจันทรคติมันจะเพิ่มมาอีกเก้าปี ในอัลกุรอานพูดถึงจำนวนของคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยประมาณส0 0รกับ9ปีถ้าไม่ต้องเก้าปีเพราะว่าคิดตามจันทรคติมันจะมากกว่าคิดแบบสุริยคตินะขอบคุณอัลลสุภาพาาที่เราได้ทบทวนอัลกุรอาน แล้วก็หาความรู้จากอัลกุรอานสุรัอัลกัฟฟเนี่ยมีฮะดิษของอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกไว้ว่ามันฮ ah ัฟิออายตนมินอวลริลกริลกอซิมะมินัดจัลใครที่ท่องนะต้องว่าท่องนะไม่ใช่อ่านนะท่องท่องให้จำ ใครที่สามารถท่องอัลกุรอานสุรนี้สิบอายะไม่เยอะ10อายะไม่เยอะถ้าอ่านทุกวันทุกวันอาทิตย์นยึงก็จำแล้วนะยิ่งอ่านในเดืรรดอ น, น الله, อุมอฺอเนี่ยอิชอฺรออัลลอฮ์ให้จำดีใครที่ท่อง10อายะจากสุรอัลกาฟี่ ah ตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่10เนี่ยรู้ไหมอัลลอฮ์ให้อะไรอุซีมะมินัดดจลัล ดัจจานแปลว่าชายตอนมานร้ายที่เรามองไม่เห็นตัวศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนี่อันตรายนะอย่าคิดว่าไม่อันตรายนะแต่ชายตอนไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่หรอกแต่จะมีอิทธิพลสําหรับคนที่มีไม่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยชายตอนหลอกง่ายแต่คนที่มีอ ي م ا ن ต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์คุ้มครองนะยิ่งอ่านอัลกรุรอานสุรนี้แหละ ท่องให้จำนะสิบอายะของสุร่าอัลก้าฟีอลัลลอฮ์จะให้อลัลลอ์จะคุ้มครองไม่ให้ดญจจานเนี่ยมาสร้างความฟิตนะฟิตนะหมายถึงสร้างความสับสนในหัวใจดัา น, นขอให้พวกเราที่เป็นมุสลิมนะครับท่องจำกุราอานสุร่าอัลก้าฟีเนี่ยยังไม่สายหรอกนะคนที่อายุหกสกว่ายังท่องได้ ห้ก็ยังท่องได้อายุยีสบก็ยังท่องได้ท่องเลยนะสิบอาย่ญญาเองนะอีขัดิษหนึ่งท่านสายตลคุ ด, ดีไดรายงานบอกว่ามันก็รออาสูร้รอตะกาฟีใครที่อ่านไม่ใช่ท่องนะอ่านนะอา่าเปิดหนังสือเปิดกุราอานอ่านใครที่อ่านสุรอ์กาฟีในวันศุกร์ ฟ้าหัวมะซุมเขาถูกคุ้มครองถูกรักษาถูกรักษาจากอะไรรักษากีวันอีลาสามารนิยะทิอายาม8วัน อ, อ้าวอ่านวันศุกร์วันศุกร์เ ส, สาร์อาทิตย์จันทร์พุธพระหัสุกก็อาทิตย์หนึงพอดี8วันอุซิมามะซุมอิลาสามารนยะทิอายามมิงกุลลิฟิชนาะ จากความวุ่นวายต่างๆของใครของดัญญลเอาเราคุ้มครองไม่ให้เราเนี่ยถูกชายตอนเนี่ยรังแกเราฟิชทนาเราสร้างความสับสนที่ไหนชายตอนเนี่ยเวลามันกระซิบกระซิบที่หัวใจนะมันมันกระซิบที่มือหรอกมันมันกระซิบที่ขาหรอกมันกระซิบที่หัวใจเลเล่นงานหัวใจเลยรู้ใจยังไงอ่ะนี่อยูวัชวิสุภิสุดูรินนัส ไซตตอเนี่ ย, ยินเนี่ยแล้วก็ดัจจานเนี่ยมันกระซิบที่หัวใจของมนุษย์เลยฉะนั้นอ่านกุณอ่านสุรนี้อ่านนะอ่านให้จบอลัลลอฮ์ให้ก็คือผูกคุ้มครองกี่วันนะแปดวันว่าอินข้อราจดัจจานถ้าหากดัจจานเนี่ยถูกปล่อยออกมาหรือดัจจานออกมาเพลนพลาด น, นะ จะชายตอนเหล่านี้จะไม่เข้ามาทําอันตรายกับคนที่อ่านอัลกุรอานสุรานีจะด้านกุรอานกลหลอดีหมดนะรักษาให้อ่านได้ดีอ่านให้จํานะครับแล้วก็ถ้ารู้ความหมายอ่าถ้ารู้ความหมายนะจะดีมากเลยเพราะกุรอานคือเราต้องการหาความรู้จากจะกอัลกุรอานนะอ่านหาความรู้จากอัลจะกอัลกุรอานนะ วันน ja um uh um ah ja ี้เรามาถึงอายาที่อายาที่เจอายาที่เจนี่อัลลอฮ์กล่าวว่าอย่างนี้อินน้าจัลนามาลล์ล้อร์ิซีนัตอลลาลินับลูอะฮุมอียูฮุมอัพสันูอัมมลาอินน้าจัลนามาลล์ล้อร์ิ แปลว่ายจ้านาแปลว่าเราได้ทำมาอาณาล้อดีสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินเราได้ทำสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินซีนัตลาฮาแปลว่าเป็นเครื่องประดับเนี่ยสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ทำนะมองดูแล้วเนี่ยดูมันสวยเพียบหมด จเจริญหูจเจริญตาหมดดีหมดเห็นอย่างนี่เอเราอะอ่ า, ลาเล่าในกัมีกุรานสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยแต่ละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างที่ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะสวยหมดเลยเป็นเครื่องประดับเป็นที่พอใจมันบรญเจดิดใช่ไหมยีนตัตลาหะทำให้แผ่นดินเนี่ยน่าอยู่น่าอาศัยเห็นแค่ภูเขาอย่างเดียวยังยังสวยเลยใช่ไม นั่งรถไปเห็นภูเขาลอลอสวยเห็นทะเลสาบสวยเห็นไหมสวยหมดเห็นต้ตนไม้เนี่ยสวยหมดเลยมองให้ดีนะสวยอัลลอฮฺนี่อัลลอฮ์เล่นะาในคัฟีร์ุรานว่าอินนาจียัลนามาอัลอาบดิซีนาตาลาฮฺแท้จริงเราได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าแผ่นดินนี้เป็นที่ พอใจเป็นเครื่องประดับซี่นะแปลว่าเครื่องประดับมองแล้วถูกองถูกใจหมดนะลินนาบลูวาหุมเป้าหมายใหญ่ก็เพื่อจะทดสอบเพื่อจะทดลองลินนาบลูเพื่อทดลองสู่เจ้าทั้งหลายแล้วนี่เราสร้างมานี่นะบางคนก็เป็น เป็นคนรวยมีบางคนก็เป็นคนมีฐานะปานกลางบางคนก็ยากจนเป็นอย่างนี้แหละโลกดุนยาใบนี้อลัลลอฮ์สร้างมาไม่เหมือนกันบางคนมีความรู้ดีบางคนมีความรู้ปานกลางบางคนมีความรู้น้อยอลัลลอฮ์สร้างมาไม่เหมือนกันทําไมเพื่อจะให้คนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้มาดูแลซึ่งกันและกันมารับใช้ซึ่งกันและกัน มีคนจนแล้วก็มีคนรวยดีไหมดีคนรวยสร้างงานให้คนจนมาทํางานก็มีงานทําแล้วก็มีเงินเดือนมีไรายได้ห้ามดลูลินะลีน่าบัลูวาหุมอัลลอฮฺบอกว่าที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าแผ่นดินแล้วก็สร้างคนมาอยู่บนหน้าแผ่นดินแบบนี้แล้วก็ให้นู้นให้นี่ให้เราเห็นอยู่เลยนะเพื่อทดสอบเขาเหล่านั้นเพื่อทดสอบเขาเหล่านั้น อายุหุมอัพสนัวมาลาผู้ใดในหมู่พวกเขาดีเยี่ยมในการงานของเขาจะมีใครบ้างที่ผลงานของเขาดีเยี่ยมที่สุดเห็นไหมคือไอเขาว่าดีเยี่ยมเนี่ยก็คือทํางานเพื่ออัลลอฮ์นะใครใครที่ทํางานเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนนั้นแหละเป็นคนที่ดีเยี่ยมที่สุด ทีนี้ในฮะดีของท่านนบีนบีสอนอย่างนี้เป็นคาอธิบายคุรานนะบางทีกุรานคุรานอธิบายกันเองบางทีนบีจะเอาะดีเนี่ยซอบานนบีเอาฮะดีสมาอธิบายกุรานอีกทีหนึ่งนี่ะดีเป็นอย่างงี้อันกตะอันนบรานบไซดอันรัสูลุลลอฮฺซุลลัลลอฮ์นบีอฺละฮฺอัลลอันคล ท่านนบีกล่าวว่าอินนัดดุนยาฮุลวาตุนคอติรอตุนนี่คําอธิบายโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะฮุลวาแปลว่ า, าหวานหอมหวานฮุลวาแปลว่าสวิตหอมหวานคอดิรอแปลว่าเขียวขจีใช่หรือไม่ใช่นี่นบีอธิบายเลยโลกดุนยาใบนี้หอมหวานและเขียวขจี ออเหคนที่มีที่อยู่ชายทะเลสักร้อยไร่เนี่ยแค่เดินดูที่นี่ก็เพลินอยู่แล้วทมดุลินแล้วคนที่มีอะไรนะโรงแรมอยู่ชายหาดอหุลล่นอความันมันเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมฉะนั้นดุญยาใบนี้หอมหวานและเขียวขจีต่อมาครับว่าอ um ินนัลลอฮมุสตาคลิฟะกุมนี่เป็นฮัดีดนะคำอธิบายอายานี้ แต่แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยสร้างพวกท่านทั้งหลายมาให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโลกใบนี้สร้างมนุษย์มาให้มาดูแลให้มาปกครองให้มาทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลวันนี้ที่ชายหาดมีมีเจ้าของหมดแล้วใช่หรือไม่ใช่ตะกี้มีไหมเป็นเจ้าของหมดบนภูเขาก็ขายได้ที่จังหวนที่ททไดนะที่พังงาภูกเก็ตกระ บ, บี่แถวนู้นอะเห็น ไ, ไหม ขายถึงบนภูเขานี่นะตวรว่า อ, อลัลลอ์เนี่ยแต่งตั้งมนุษย์มาให้รับผิดชอบดูแลอัลอลอฮ์อัลกุรอฮะตรงไม่ตรงเป๊ะเลยครับ <S <S ฟ้าน้าซิรุนอลัลลอฮ์ก็จ้องมองดูอยู่ อ, อย่าลืมนะอลัลลอน์น่ยอยู่บนชั้นฟ้านะเห็นเหตุการณ์ทุกทุกคนเลยอลัลลอฮ์อยู่บนบัลังของอลัลลอ์แต่อลัลลอ์ได้ยินอลัลลอฮ์เห็นอลัลลอ์รู้ว่า มนุษย์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบทำอะไรบ้างอัลลอฮ์จ้องมองดูอยู่มาจะตาหมาลุนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำอะไรกันบ้างขณานี้เนี่ยอัลลอ์รู้นะที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี้ยังมีอยู่กี่คนน่ะรารู้หมดไม่ใช่มีเพราะความบังเอิญ น, นะทั้งหมดแล้วนี่ถูกกำหนดมาแล้วมาจะวันนี้ดูความบัเอิญมนั่งฟังเท่าซีตไม่ใช่ เรากำหนดมาแล้วว่ามีคนมาฟังมานนามาแค่นี้มันนั่งฟังตับซีดแค่นี้ใช่ไหมเรารู้หมดแล้วนะและ้วเราสั่งฟัตตะกุฎ ด, ดุนยาวัตตะกุฎนิสาจงระวังโลกดุนยาให้ดีระวังโลกดุนยาให้ดีนะเพราะว่าบางคนมีโลกดุนยาแล้วพาตกนรกก็มีเยอะบางคนมีดุนยาแล้วก็พาดุนยาเนี่ย ทำให้เขาเข้าสวรรค์มีไหมมีอ้าวดูสินบีเป็นชาวสวรรค์อยู่บนโลกดุนยาเหมือนเราซาบาณนบีอยู่บนโลกดุนยาเหมือนเราแต่เป็นชาวสวรรค์อบูุลฮับอบูญลยานอยู่บนโลกดุนยาเบนี้แต่เป็นชาวนรกแล้วก็พวกฟาโรห์อยู่บนโลกดุนยาเบนี้อยู่ในประเทศอียิปต์แต่วต่าตกนรกนบีมูซาได้ไปสวรรค์เพราะอะไรนี่ง ฟัตตะคุนดุนยาวัตตะคุนนิสาและอัลลอฮฺก็สั่งอีกนบีสา่อีกจงระวังโลกดุนยาไปนี้ให้ดีนะครับแล้วก็จงระวังผู้หญิงดูแลผู้หญิงผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงฉะนั้นผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงหรือว่าระวังผู้หญิงให้ดีนบีสอนต่อไปอีก ฟาอินน่าอววาและฟิทนาบันิอิสราเอลกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นเพราะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยนะครับทำให้ผู้หญิงที่เขาเอาผู้หญิงเนี่ยมาเป็นสื่อทำให้สังคมเนี่ยเสียหายเยอะไหมเยอะ ท่ต้องระวังผู้หญิงให้ดีนะครับให้ผู้หญิงผู้หญิงอยู่ที่ไหนดีที่สุดตามกุรอานวก้อนนาฟีบู ย, ยออไไติกุนนะ่นางอยู่ในบ้านของนางดีที่สุดผู้ชายเนี่ยออกไปไหนมาไหนได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงที่ดีมีอิมานเนี่ยนะวก้อนาฟีบูยติกุนนนางอยู่ในบ้านของนางดีที่สุดทำมุลิมละแม้จะจันนามาดก็นามาดที่บ้านของนาง ห้องรับแขกกับห้องนอนเนี่ยผู้หญิงน่ามาที่ไหนดีที่สุดนมาดในห้องนอนของนางดีกว่านามาดในห้องรับแบขกของนางเห็นอย่างแะ่นั้นผู้หญิงอยู่บ้านดีดีที่สุดแต่พวกยาฮูดีนอสรลนีพยายามขวางคําสั่งของอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงออกนอกบ้านให้มากที่สุด ให้ผู้หญิงออกนอกบ้านผู้หญิงอิสระผู้หญิงมีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ชายในอิสลามเนี่ยก็ให้ผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันในแง่ของการทําความดีอาผู้หญิงน้ามา δ, ผู้ชายน้ามาผลบุญได้เท่ากันไหมเท่ากันผู้หญิงถือซึ้งอดชายถือซึ้งอดผลบุญเท่ากันผู้หญิงที่ไปประปกอบวิธีฮั์ใช่ไหมไปท um ําอุมมราะ์ผู้หญิงถ้าไม่มีมหาหรอมไม่ต้องไปทำฮัทมาต้องไปทําอุ้มราะ มาได้บังคับเลยถึงจะมีสตางค์เยอะร่างกายแข็งแรงแต่หามารมไม่ได้มาต้องไปใช่ไหมแค่นั้นการทำความดีนะการตออัดต่อพ่อแม่ผู้หญิงตออาดต่อพ่อแม่ได้รางวัลไหมได้รางวัลผู้ชายก็ได้รางวัลผู้หญิงที่ติดต่อกับญาติพี่น้องเครือญาติของเคาได้รางวัลผู้ชายก็ได้รางวัลแต่ในการทำงานเนี่ยเขาให้ผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิง อัลลอ์ผู้ชายผู้ชายขึ้นขึ้นหัวเสาผู้หญิงขึ้นหัวเสาได้ยังไงใช่ไหมมันก็ต้องรู้อะไรเป็นอะไรในะอิสลามสอนปัปหมดในเรื่องอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละมีคำถามถามว่าอัลลอ์สร้างทุสิ่งทุอย่างบนหน้าแผ่นดินเนี่ยสร้างมาแล้วก็เป็นเครื่องประดับส่วนสัตว์ร้ายเนะี่ยงูมแมลงป่องตะขาบ กระสสารลายต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องประดับด้วยหรืออ้าวต่อว่าไงเป็นเครื่องประดับไหมเป็นเครื่องประดับครับคําอธิบายก็คือว่าเนี่ยการมีมแมลงป่องตะขาบแล้วกสัตว์ร้ายเนี่ยที่มากัดเรามาต่อยเราเนี่ยทําให้เราต้องวิ่งไปหาใครหาหมอใช่หรือไม่ใช่ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหมอมันก็มีขึ้นใช่ไหมหมอที่เรียนวิชาแพทย์มาที่รักษาใครอ่ะ ถ้าไ ม, ม่มีมลฟองถ้าไม่มีตะขาบถ้าไม่มีงูมากาศจะเท่าไงนี่ไงซีนัตัลละฮะเป็นเครื่องประดับทั้งบนบนโลกดุนยาแบบนี้นี่เป็นการวางแผนจากอัลลอฮ์สุบฮานาห์วะตะอะขอบคุณอัลลอฮ์นะคับพี่น้องอายะห์ที่เจ็ได้รับความรู้นะอินจัลนามาลลัลอาร์ดิซีนัตัลละฮะ ลีนาบัลูวะหุมอายูหุมอัพสนุอามาลาแท้จริงเราได้ทำนะครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยนะเป็นที่บรรเจดิดเป็นเครื่องประดับเป็นที่พอใจกับสำหรับเขาเหล่านั้น <c oughs> เพื่ออะไรลีนาบัลูวะหุมเพื่อทดลอง <c oughs> เพื่อทดสอบเขาเหล่านั้นว่าใคร มีผลงานที่ดีเยี่ยมที่สุดในการงานนะครับนี่อัลลอฮ์ให้ให้รางวัลนะคนทำดีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับต่อมาอายะที่8ปดว่าอินน่าลาจาอิลูนะมา عليها صعيدان جرزا ว่าอินน่าลาจาอิลูแต่แท้จริง เราจะเราเป็นผู้ทาความเพิดแพ้วต่างๆบนหน้าแผ่นดินที่ทำและที่ทำมาครั้งแรกนมันสวยใช่ไหม่ะต่อมาเนี่ยจะให้ทุสินทุอย่างนั้นเป็นดินแล้วก็แห้งแล้งเป็นผุยผงไปหมดรอการพังอนี่ต้องการจะบอกว่าโลกดุนยาใบนี้นะรถ ขับไปขับไปรออะไรรอพังบ้านเราก็เหมือนกันปลูกปลูกไว้รออะไรรอพังตัวเราก็เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปรอตาย <c oughs> ฉะนั้นเมื่อสอนอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าอย่าหลงดุนยาอยู่ตรงนี้เองอย่าหลงดุนยาใช่ไหมอย่าหลงดุนยาจะให้หลงอะไรให้หลงอาคืะ เพออาราะอะเคอร์เรื่องพังไม่มีอยู่ไปตลอดเนี่ยวันอะเครอร์เนี่ยไม่มีคําว่าพังฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกดุนยาเบ น, นี้อยู่เพื่อจะออกนะอยู่เพื่อจะอยู่เพื่อออกออกจากโลกดุนยาเบ น, นี้ส่วนอะเครอร์เนี่ยไปเพื่ออะไรนะเพื่ออยู่นะอยู่ไปตลอดกาลเลยอเพราะฉะนั้น คิดว่าอย่าหลงดุลยาอย่าหลงดุลยาคำว่าดุลยาน่ะมีตัวแทนนะคำว่าดุลยานี่มีอยู่สรายการใหญ่ๆ 1. เงินนะเงินขาแพะแกะอัวควายบ้านช่องที่ดินมันมีมันมีราคาหมดแล้วแต่มันชั่วคราวทั้งหมด 2. ชื่อเสียง 3. เกียรติยศ 4. ี่ตำแหน่งนี่ไงสีกระสีแย่ สีรายการเนี่ยเป็นตัวแทนของคําว่าดุญญานยานบีเคยอธิบายาไว้ว่าดุนยาใบนี้นราคาเท่าไรเพออัลลอฮ์สร้างดุนยาใบนี้มานะสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขาแม่น้ำสร้างโน่นสร้างี่หินปกกรงการังที่อยู่ใต้ทะเล ต, ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยภูเขาใหญ่โตเนี่ยพอสร้างเสร็จอัลลอฮ์ตีราคาเท่าไร่รู้ไหมปีกยุง ขจังประเิศได้ใช่ไหมถ้าหากว่าโลกดุนยาใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุงอัลลอฮ์ปีกยุงภาษาอุรว่ามัจชาร์ปาร์กกับมัจชาร์แปลว่าปีกยุงฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้ถ้ามีค่ามากกว่าปีกยุงหรือว่าเท่ากับปีกยุงคนกาเฟตคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ คนที่ไม่เอาศาสนานี่นะอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาได้ชิมได้ดื่มน้ําแม้แม้แต่สักอึกเดียวก็ไม่ยอมไม่ดื่มเห็นยังท่า น, นโลกดุนยาไปนี้ถึงอัลลอฮ์าสั่งว่ามุสลิมคนที่มี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์อยู่บนโลกดุญญนยาใบนี้เป็นเจ้าของที่ดินได้ไหมได้มีรถได้ไหมได้มีบ้านได้ไหมได้แต่อย่าหลงอย่าหลงกับมันนะครับ ให้หลงอาคิร้อยเยอะๆให้คิดถึงอาคิร้อยเยอะๆท่านคิดถึงอาคิร้อยนี่นะเอาลออีมานขาเพิ panels panels panels ่มเพิ really ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเ่มนั่นใครที่ถือศีลอดในเดือนอุมาอีมานั้นวะติซาบันใครที่ยืนนมาดในเดือนอุมาอีมานั่นวะติซาบันกุฟิรอละหูมาตะกัดดะมิลจัมบิความผิดถูกยกเห็นไหมเพียงแต่ใจของเราเนี่ย ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์นมัสการเพื่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ความผิดที่เราทําเนี่ยจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามนะ Allah. อัลลอฮ์อภัยโทษหมดแต่ถ้าหากว่าทําความดีเพื่อเพื่อดุญญลย์าเนี่ะอย่างเนี้ยบวชเพื่อเพื่อดุลย์ามทำไงรู้ไหมบวชอย่างงี้ <c oughs> บวชเพื่อให้ลดน้ําหนักบวชเพื่อให้ลดเบาหวาน บวชเพื่อให้ลดไขมันบวชให้สแ ล, ลนเดอร์อ น, นี่ก็เรียกว่าบวชเพื่อดุลยาหรือบวชเพื่ออาคีรอบวชเพื่อดุลยาก็เพื่อดุลย า, า, าเนี่ยใช่ไหมน่ะถ้าพวดเบื่อเพราะดุลยาเนี่ยอย่าไปนเนียดเลยเอลัลลอฮ์ให้อยู่แล้วให้โดยอัตโนมัติแต่ให้เนียดใหม่เนียดอะไรนะอีมานันวาติซาบันเนียดให้อิมานเพิ่ม สเนียรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาขิราอกูฟิโรลหูมาตะกดัดเดมามินดัมบิอัลลอฮ์จะอภัยยโทษในความผิดของเขาที่ผ่านมาในอดีตนะบาปเล็กๆนะบาปใหญ่ต้องต่าบบาปเล็กเนี่ยถือสินอดอลัลลอฮ์ยกหมดเลยละฮัมดุลิลละนี่ไงเห็นไหมพอเราเข้าใจศาสนาปั๊บเนี่ยเราก็วางตัวบนโลกดุริยาปนี้แบบสง่างามไหมโอ้ลฮัมดุลิลละสง่างามวางตัวถูกพูดถูก คิดถูกนะครับตกลงว่าวายนาลาจายลูนามาเลฮาสไอดันยูรุซาข้ อ, อที่แต้องการจะบอกว่าสิ่งที่อยู่เนี่ยบนหน้าแผ่นดินนี้ทั้งหมดนี่นะเราจะให้มันเป็นดินแห้งเป็นผุยผง ไม่มีค่าเลยหมดรอพังทุ้สิยงตูอย่างรอพังรอพินาศรอวันหมดอายุเนี่ยทำให้เราเข้าใจอ่ะฉะนั้นอย่าไปติดยึดตําแหน่งอย่าไปติดชื่อเสียงอย่าไปติดใช่ไหมมีเอาไว้เพื่ออะไรถ้ามีตําแหน่งมีเงินมีชื่อเสียงมีเกียรติเพื่อมาดูแลศาสนาของ Allah อัลลอฮ์สิอใช่ไหมเรามีชื่อมีเสียงคนรู้จักเยอะ เอาความมีชื่อเนี่ยไปดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ไปดูแลคนให้รู้จักอัลลอฮ์ไปดูแลเด็กกำพร้าไปทําอะไรก็ตามคนก็เปิดทางให้อ่ะให้งานศาสนาเนี่มันจเจริญให้มีการสอนศาสนามันจเจริญให้คนได้รู้จักอัลลอฮ์ให้คนได้รู้จักสุนัขท่านนาบีถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์อักุบัดดีเลยไม่ดีอัลซานูอามมลาผลงานของเขาดีเด่นเหลือเกินนะครับเอาต่อมาไง ต้องการจะอธิบายว่าการมีสัตว์ร้ายต่างๆเช่นมรแมลงป่องตะขาบเนี่ยรู้ไหมเพราะมีตะขาบมีมรแมลงป่องถ้าไม่เราต้องอ่านดูอาใช่หรือไม่ใช่ใชอ่านดูอาบทไหนครับบิสมิลลาฮิลลาลลายาซุรอมาอั i มิฮิชาอูฟิลอารดิวลาฟิสมา หัวหวเสียมีอาลาลีใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะว่าเรากลัวอ่ะพอเรากลัวภาพรโยงกับอัลลอ์กลัวแมลงป่องจะต่อยแล้วโยงกับอัลลอฮ์าอจะขึ้นรถกลัวรถจะชนกันโยงกับอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิใช่จะออกจากบ้านโยงอัลลอฮ์บิสมิลลาฮตะวะการทูลอัลลอฮ์ ولا حول ولا قوة إلا بالله เนี่ย จะร่วมหลับนอนกับภรรยาในเวลากลางคืนของเดืรรดอนอมอตอลเนี่ยบางคนนะลูกเป็นตุด๊ดน่ะรู้ไหมเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะไม่ให้อ่านดูอา้าหลงดุลยาติดดุลยาลืมไม่หมดให้อ่านดูอา้าให้นึกถึงอัลลอฮฺฉะนั้นอยากก่างการล้านล้านคู่เนี่ยอัลลอฮฺให้เห็นสองคู่สามคู่เท่านั้นแหละให้เห็นในอเมริกาคู่ในจีนคู่ในเมืองไทยคู่เห็นไหม ฉะนั้นอย่าลืมดูอาต้องโยงกับอัลลอฮ์ทุกาการนึกถึงอัลลอฮ์ขนาดกลัวมาแรงปอกยังอ่านดูอาแล้วก็จะจะจ ะ, จะไม่กลัวลูกจะเป็นตุ๊ดบ้างเหรอนี้ตุ๊ดเต็มเลยเห็นไหมรู้ป่าผู้ชายอ่ะในเมืองไทยจะมีสามสิบสามล้านคนผู้หญิงสามสิบสี่ล้านคนแล้วก็ผู้ชายที่ใช้การไม่ได้นะที่ติดยาบ้ากระท่อม ยานุนนยานี้ใช้การไม่ได้น่ะสิบห้าล้านน่ะเหลือผู้ชายเป็นแมนจริงๆน่ะสบห้าล้านแล้วผู้หญิงเท่าไหร่3าล้านสี่ล้านเอาไงกันน่ะระทัานผู้ชายต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าติดยาบุงยาบ้ายามาเนี่ที่มาเรียนศาสนาเนี่ยปกป้องไม่ให้ตกนรกเนี่ยบางคนตกที่รังแต่อยู่บนดุนยาแล้ว ยังไม่ทันอาคริรอดดุนยาตกแล้วมีไหมมีฉะนั้นดูแลลูกหลานใด้ดีดูแลลูกหลานไม่ใช่ดูแลให้กินให้อ้วนแบบแพะแกะอัวควายไม่ใช่แต่ต้องดูแลด้วยอิสลามต้องสอนลูกให้รู้จักอิสลามให้นามาตเป็นอันอุลแอนซิกรุลลอฮ์แล้วก็ให้ผูกพันกับอัลลอฮ์แล้วก็ต้องขอดุอาให้ลูกตลอดเวลาเลยพ่อแม่ที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นนะข้อต่อมาครับอายาที่เก อัลฮัสซิบตะอัน أ ص k a الك ب <س ؤ> ال> الكهف <س ؤ> ال> و a ل ر ق ي م كانوا من آياتنا عجباً อัลฮัซิบตะแปลว่ามุฮัมมัด หรือว่าอมัมฮซิบเจ้าเนี่ยมาถึงมุฮัมมัดคิดหรือว่าอันนะอัชฮบเบลกฟแท้จริงอัสฮาบเนี่ยแปลว่าชานะภาษาอุดูก็เรียกอัฮับอัสฮับเหมือนกันอัชฮับอัชฮับอบลกาฟีเคฟอัลรัปมังกิดชายเหมือนกันนะแต่ว่านะทำ อาสาบัลกาฟชาวถ้ำวัดรอตีมรอกีมเนี่ยแปลว่าแผ่นจารึกซึ่งมีชื่อของชาวถ้ำที่ถูกเขียนเอาไว้ถูกบันทึกเอาไว้ถามว่าชาวถ้ำกับรอตีมเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่คืออันเดียวกันแต่มีชื่ออยู่สองชื่อนะหนึ่งคนที่นอนอยู่ในถ้ำ แล้วก็มีรอตีมหมายถึงเขาบันทึกชื่อเอาไว้ว่าคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยชื่ออะไรลูกใครหลานใครใช่ไหมมีไม่กี่คนเราประมาณในกุรานมันอธิบายว่ามีกี่คนบางคนมีสีนคนค่คนบางคนมีสามคนบางคนมีห้าคนอะไรก็ตามแต่กุรอานไม่ได้อธิบายในรายละเอียดเหมือนอธิบายเรื่องนบียูสุนบียูซุบในอธิบายละเอียดเปะเลยทําวมาไทยรออธิบายหมดเลย แต่อัสฐาบุลกาที่ไม่ได้อธิบายในรายละเอียดในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้อธิบายในรายละเอียดเราก็อธิบายแบบไม่ละเอียดเหมือนกันเพราะอัลลอฮ์ต้องการไม่ให้เรารู้เยอะถ้าจะรู้เรื่องให้ดีก็เรื่องอับดยูซุฟอธิบายละเอียดยิบเลยทั้งสุรเลยใช่ไหมยูซุฟเป็นอย่งงางไงอลัลลอฮ์ซุฟเป็นอย่งงางนี้ยูซุฟเป็นอย่งงางั้นพี่ชายเป็นอย่งงางนี้พ่อเป็นอย่งงางนี้โอ้คุณอ่านเล่าละเอียดยิบเลยแต่อัสฐาบุลกาพี่ชาวทัพนี่ไม่ได้เล่าในรายละเอียดนะ เราก็เดินตามนั่นแหละนะเล่ามิด น, น้อยานมินยาตินาอาจบาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณชาวถ้ำและแผ่นจารึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณอาจบนที่มหัศจรรย์กันนั่นหรืออ้ําไปคำถามพวกคุณอนะมุฮัมมัดน่ะคิดว่า ชาวถ้ำแล้วก็แผ่นจารึกที่บันทึกชื่อชาวถ้ำมาไว้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกประหลาดกันนั้นหรือเอาอราต้องการจะบอกว่าไม่ใช่ประหลาดหรอกเอาหรอแค่นอนไป300รปีแล้วก็ไม่ตายนอนหลับไป300ปีกับประมาณสา0ร้อยกับ9้ปีแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตายต่อนเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดหรือ เราต้องการจะบอกว่ามาใช่ประหลาดไอ้ที่ประลาดกว่านี้มีอีกอะไรรู้ไหมฉันสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินประหลาดที่สุดใหญ่ที่สุดฉันสร้างภูเขาใหญ่ที่สุดอ้าวใครสร้างได้ไหมนะนี่โคโจรบนชั้นฟ้าแผ่นดินโอโ้ดูสิเห็นไหมดวงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคโจรท่านใหญ่ที่สุดไอ้นี่อัชฮับุลกาฟิวรรกิม แค่สองอย่างนี่คุณว่าประหลาดแปลกแล้วหรือไม่ใช่ที่แปลกใหญ่กว่านี้ก็มีหมายถึงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอย่างอีกอย่างหนึงต้องการจะอธิบายอีกว่าในเตซีอิบนุกซิดอธิบายบอกว่าไลซาอาจับันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาไม่ไม่ใช่เรื่องแป ล, ก ป, ล, ก, ปปลกประหลาดเลยเมื่อพูดถึงอำนาจของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอำนาจของอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเยอะสามารถให้มีกลางวันกลางคืน สามารถเนมีดวงอาทิตย์โครจรดวงจันทร์โครจรแล้วก็ดวงดาวโครจรบนชั้นฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดนั่นอันนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรนะอัสกาบุลกาฟิละวัดวัดรอตีมอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่กว่าอัสกาบุลกาฟิคืออัลลอฮ์ประทานนาบีมุฮัมมัดมาแต่งตั้งให้มุฮัมมัดเป็นรอซูลแล้วก็ให้ความรู้กับท่านนาบีนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น เสร็จแล้วอัลลอ์ให้ความรู้ผ่านจิบรีดมาให้กับนบีมีทางโ e เลจมีทางสุนนะนบีมีทางอัลกุรอานปรเสริและยิ่งใหญ่กว่าอะไรนะกว่าอัสฮาบุลกาฟีวรรคีมอีกแสด่เวลาเราอ่านเรื่องนี้อัลลอฮ์สอนเราอย่าไปติดยึดกับอัสฮาบุลกาฟิสิ่งที่ใหญ่กว่าอัชฮาบุลกาฟมีไหมมีการสร้างชันฟ้าแผ่นดินภูเขา ให้อะไรนะดวงอาทิตย์โคโจรดวงจันทร์โคโจรใช่ไหมแล้วก็เอาลอตแต่งตั้งน บ, บี ม, ม, มุฮัมมัดมานบีอ่านนงอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่สามารถพูดเรื่องอิสลามได้อย่างดีเนี่ยความรู้นีมาจากไหนอันนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าอัสซาบุลกาฟิและก็วัดรอปีนะครับทีนี้เขา อ, อธิบายต่อบอกว่าพวกกาฟีเนี่ย ไอ้กาก็าคืออัลลอฮ์ฟินเจบลคือถ้าที่อยู่ที่ภูเขามันใหญ่ที่ไหนล่ะอัลลอฮ์อักคือถ้าอยู่ที่ไหนนะอยู่ในภูเขาแล้วก็คนที่ไปนอนอยู่ในภูเขาเป็นเด็กนุมเป็นเด็กนุมเนี่ยนมเขาสร้เง็กศาสนูนี่ยแหละอายุเท่าไหร่ยี่สิบี่ห้าสามสิบแค่นี้แหละกำลังดูมป้อเลยนะ พวกนี้เป็นพวกที่มีอีมานต่ออลัลลอฮ์พวกนี้เป็นพวกที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์อิมานเข้มเป็นลูกหลานของใครเป็นลูกหลานของพวกกษัตระะิย์นั่นแหละลูกหลานของพวกคูหลักผู้ใหญ่ในประเทศนะครับเป็นลูกรัฐมนตรีลูกรัฐบาลเป็นลูกหลานของรัฐบาลทั้งหมดใหญ่โตพวกนี้มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศมีเงินมีทองอยู่ในอยู่ตำแหน่งสูง แต่ไม่เอาศาสนาไงพ่อเนี่ก็หลงเงินหลงตําแหนง่งหลงชื่อเสียงแล้วก็บูชารูปจเจวต์แต่ลูกของเขาไม่เอาเห็นอย่างเห็นอย่างอ่ะลูกไม่เอาอ่ะลูกไม่เชื่อพ่ออ่ะเหมือนใครเหมือนนบีอิบรอฮีมที่ไม่เชื่อพ่อที่ชื่อว่าอาซัดกราบรูปปั้นใช่ไหม แต่อิบราฮีมเอาเปล่าไม่เอาเนี่ยอัลลอฮ์ละลาเล่าให้ฟังคนดีๆในโลกนี้ยังมีนะพ่อไม่เอาศาสนาแต่ลูกเอาโอ้ลฮ oh, ัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอา้ามอธิบายต่ออายาที่10นะอายาที่10อิดาวัลฟิชฮยาตุอิลลัลกะ "فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ ر َ ح ْ م َ ة وَهَيِّئْنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا" อายะที่สิบต้องการจะบอกว่าอิศอาวฟิทยะเมื่อฟิทยะแปลว่าคนนมนะฟิทยะเนี่ยแปลว่าคนนมนมนะ ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะฟิทยาแปลว่าคนนมอาวาแปลว่าเข้าไปพักพิงอลิลกาเฟในถ้ำคือสาเหตุที่คนนมหนุ่มเข้ามาพักพิงในถ้ำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยกษัตริย์ในเมือเป็นกษัตริย์ที่โหดเหี้ยมเป็นผู้ปกครองที่เลว เป็นผู้ปกครองที่กดขี่ประชาชนแล้วก็บังคับประชาชนให้กราบรูปจเจว็์นะครับและทุกคนนี่พอใจหมดนะแต่มีเด็กหนุ่มอยู่ส5ห้าคนเนี่ยเด็กหนุ่มนี่ไม่พอใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทำไมต้องบังคับให้บูชารูปจเจว็์ทั้งๆที่อัลลอ์ ah ผู้สร้างโลกมีอัลลอ์ผู้สร้างแผ่นดินมี อัลลอ์ผู้สร้างมนุษย์มีแต่ไม่มีใครกราบไม่มีใครบูชาไม่มีใครเคารพอัลลอ์แต่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เด็กหนุ่มสีห้าคนนี้ไม่ต้องการก็หนีไงเด็กหนุ่มๆซึ่งพ่อพ่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะในหมู่บ้านในประเทศแต่ลูกไม่เอาลูกฉันจะเอาอัลลอ์จะเอ า, าศาสนาเรื่องนี้เกิดขึ้นหลัง ก่อนนบีจะเกิดประมาณ20ปีประมาณ570คริสตกัรนักรารนะ570ก่อนนบีมุฮัมมัดจะอะไรนะจากจะคลอดในนครมกนนะการเน่ประมาณ20ปีพอเรื่องนี้เกิดภาพนี่นะต่อมาอีก20ปีนบีก็เกิดนะใช่ทีนี้ไอเด็กหนุ่ม45หคนเนี่ยหนีคือรัฐบาลเนี่ยบังคับกษัตริย์บังคับ ผู้หลักผู้ใหญ่บังคับให้กราบรูปเจเวตอื่นจากอัลลอฮ์เด็กนมห้าหกคนเนี่ยไม่เอาแล้วก็เด็กนุมเนี่ยไม่รู้จักกันก่อนนะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะหนีอีกคนนึงก็ห น, นีมานั่งอยู่โคนต้นไม้ในตำสิทธิบายดีนะมันมีอยู่ที่เดียวอยู่โคนต้นไม้คนนี้กคนนี้ออกมามานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ คนที่สองก็หนีมาอีกมาอยู่ทิพคนต้นไม้มาอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยคนที่สามก็หนีออกมามาอยู่ที่ยโคนต้นไม้คนที่สี่ที่ห้าคนหนีกันมาพอมานั่งกันแล้วก็มองหน้ากันก็ไม่กล้าที่จะเผยอ่ะเพราะต่างคนต่างกลัวจะถูกจับถูกบังคับให้บูชารูปเจ้าเวตเสร็จแล้วก็คนนั่งกันนานๆก็เลยมองกันเฮ้ ย, ย, ยมาทําไมกันวะ พอถามไปถามมาเพิ่งรู้ว่าต่างคนต่างหนีมาเลยกลายเป็นจมาอะเ ล, เลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่นะว่าอินน้ามาจมาอาหุมหูน่ากัลละดีจมาอาหูลูบุหุมอัลลอีมานพอมารวมกันตรงนี้เนี่ยกลายเป็นการรวมกันด้วยอีมานต่ออัลลอฮ์สุภาโนะอัลลาห์แล้วก็กระสัด ร, รู้ว่าเด็กหกคนเนี่ยมลูกมลูกหลาน คนในวังทั้งหมดนั่นแหละคนรวยๆทั้งนั้นเนี่ยก็ให้โอกาสบอกฉันให้โอกาสเด็กหนุ่มเนี่นะความจริงบังคับหรือฆ่าก็ได้แต่ให้โอกาสให้กลับเนื้อกลับตัวให้เวลาอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันอย่างเงี้ยให้นอนคิดให้ดีจะหันมาบูชารูปเจเ็จตามปู่ย่าปูา่ยายปู่ยาตายายก็ได้แต่ให้โอกาสสิบวัน หรืออาทิตย์หนึ่งให้ดูแลให้คิดเด็กหนุ่มคนนี้มันก็ประชุมกันว่าไม่เอาไม่เอายังไงยังไงก็ถูกถูกจับแล้วก็ถูกฆ่าแน่ๆเรื่องานนี้พ้นโทษท่าก็วิ่ก็เข้าไปในถ้ำพอเข้าไปแล้วก็ไปนอนหลับแล้วหลับเลยประมาณสามร้อยกับเก้าปีทาอยู่ลยแหละกษัตริย์เยี่ยมมากครับ รี่พมาดูมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมีหมานอนมีหมานอนอยู่ด้วยไอ้ตับสิทธิ์อธิบา ย, ยว่าพลิกปีละสองสองครั้งนะพลิกปีละสองครั้งพลิกซ้ายพลิกขวาปีละสองครั้งไม่ตายเหมือนนอนหลับใครมาเห็นไม่กลัวนะ่ะคนเห็นีะกลัวนะ่ะไม่กล้าเข้าอะ่ะใช่ไหเนี่ยตอนอาลาให้อย่างหนึ่งนะแล้วมีแดดส่งมาบ้างเรียกกันว่าแต่แดดได้ไม่ทํามันจะตายต่อต่อต่อคนแต่คนที่นอนจะอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในถ้ะ นะครับเอาละแล้วต่อมานะครับประมาณสามร้อยกับเก้าปีเด็กหนุ่มสามห้าหคนเนี่ยฟื้นตื่นขึ้นมาพอะตื่นขึ้นมาทำไงรู้ไหม ห, หิวไงหิวไปสตังค์อ่ะอยู่ในกระเป๋าเสื้ออยู่ยมันคนละสมัยสามรอยกับเก้าปีน่มันมันคนละยุคแล้วนี่ย้าใจไหมล่ะพอเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาหาร ที่ตลาดก็บอกว่าคุ้นเนี่ยเป็นขโมยคุณนี่ยเป็นรักเงินมาจากกรองคันใช่ไหมเนี่ยคนละสมัยเนี่ยพอจับภาพเรื่องถึงกษัตริย์กษัตริย์คนใหม่นะกษัตริย์คนใหม่นี่เป็นคนมีาศาสนาเรียกร้องให้เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอมเดียวและวันเตียมะมีจริงกษัตริย์ก็พอใจอ่ะเรียกห้าหกคนนี่ไปเข้าเฝ้าไปพบมาพอคุยกันภาพรู้เลยว่า คนนี้เป็นเป็นเด็กหนุ่มที่มีอิมานมีศาสนาแล้วก็สัตว์องค์ปัจจุบันนี้ก็มีศาสนาอ่ะเสร็จแล้วก็มาดูสถานที่ที่เขานอนหลับพอเข้ามาก็ตายตาย ก, ายก็ก็เรื่องก็หายกันไปนี่ต้องการจะอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังว่าหนึ่งคนที่นอนหลับอยู่ในกูโบจะต้องฟื้นขึ้นอย่างแน่นอนนี่ต้องการจะอธิบายขนาดนอนไปแล้วสามร้อยกว่า ป, ปีนะ เก้าปียังฟื้นขึ้นมาได้แล้วคนที่ตายอยู่ในกุมนอนอยู่ในกุโบเนจะไม่ฟื้นได้ยังไงมีคำอธิบายไว้เดี๋ยวค่อยๆ อ, อธิบายต่อไปทีละอย่างละอยา่ยางนะครับเอาี่น้องครับเมื่อเด็กนมพวกนี้เข้าไปในถ้มเขาขอดูอาเห็นอย่างอ่ะเขาขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะขอว่างไงนะรับบานาอาตินามิลาดุงกะระหม์มา แปลว่าอะไรครับร บ, บนาอาตินาข้าแต่พระผู้อาภิบาลของเราเอย๋ยอาตินาขอพระองค์โปรดประทานมิลลุดุงกะราะห์มาตันโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่พวกเราด้วยเถิดนี่ดูอา น, นีนาดีขอให้เราท่องให้จําและเอาไปใช้เลยนะร บ, บนาอาตินามิลลุดุงกะราะห์มา ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเราเอ๋ยขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่พวกเราด้วยเถิดรักม้าเนี่ยแปลว่าการอภัยโทษก็ได้แปลว่าความเมตตาก็ได้นะครับว่าให้ยิละนามินอัมรินารรชา อายะแรกเนี่ยรบบนาอาจินามิลดุงการะมะแปลว่าจะฆ่าแต่พวกอวิบาลของเราเอ๋ยขอพระองค์ได้ทรงประทานความเมตตาจากพระองค์แก่เราด้วยเถิดอย่าให้พวกเราเห็นพวกเขาและจับตัวพวกเราไปเออตกราจะอธิบายอย่างให้อลลอร์ดูแลนอนอยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับหรือว่าก่อนนอนนั้น อย่าให้พวกนี้มาจับตัวเราไปฆ่านี่อลัลลอฮฺเล่าให้ฟังว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนะี่ยที่เด็กที่มีอีมานเด็กที่มีาศาสนาเนี่ยเขาจะผูกพันกับอลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาต่อการจะบอกพวกเราวันนี้เหมือนกันเลยนะก็ต้องขออุอาิศต่ออลัลลอฮฺนะเนี่ยเราถือศีลอดเนี่ยโอ้อลัลลอฮฺโปรดรับการถือศีลอดของฉันด้วยของครอบครัวเราด้วย โออัลลอฮ์ที่เราละหมาดฮะจุดละมา ต, ย, มาตยะมุลเลลนะหมาดอะไรนะตะราวิชได้รับความดีที่เราละหมาดด้วยต้องขออย่าคิดว่าออัตโนมัติอัลลอฮ์รับเองไม่ใช่ต้องขอดุทิศต่ออัลลอฮ์เด็กเหล่านี้ยังขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ก็นายเข้าไปในถ้ำเนี่ยยังขอดุทิศต่ออัลลอฮ์อยู่เลยนะว่าให้ยิลานาเมนอัมรินาโรชดาเดทรงธทำให้การงานของเรา อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัลลอัิบัตเห็ไหมอิจอัลอากิบัตนารอชาดาโปรดให้กิจการของเราหรือปลายอุโมงให้เป็นปลายอุโมงที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องนะครับ <_ S 1> คำอธิบายจากคดีสก็คือว่าอั aw, นนัซูุลลอฮฺสุลลามยะดะอนบีเนี่ยจะขอดุอา พออาวาอย่างนี้อัลลอุมะอัพซินอาติบัตานาฟิลอูมูริคุลิฮาโออัลลอฮ์โปรดทำให้กิจการของเราเนี่ยที่ปลายอุโมงหรือที่บ้านปลายของชีวิตของเรานั้นเป็นกิจการที่อัลลอฮ์ทรงรับด้วยเถอะต้องขอให้กับตัวเองนะที่นมาดมาตั้งแต่นุ่มๆวันนี้อายุเท่าไรเจ็ดสิบแล้วอัลลอ์รับเธอ ความดีที่ทำมาผ ล, ลบุญที่เราเราจะตอบแทนผ ล, ลบุญแก่เราด้วยต้องขอทูอาต่ออัลลอฮ์นะให้อัลลอฮ์ได้ปกป้องไม่ให้เราได้รับความอัปยศบนโลกดุนยาและก็การลงโทษในโลกอาคเรอต้องขอทูอาต่ออัลลอ์นะครับพี่น้องขอให้มะเราด้วยขอให้ย่อเราด้วย ขอให้ลูกๆเราด้วยถ้าพ่อขอดุอาตลอดเวลานะอรหันต์แล้วก็ลูกก็ขอดุอาให้พ่อขอทวาให้แม่แม่ขอดุอาให้ลูกต่างคนต่างขอซึ่งกันและกันนี่คือความสำเร็จที่เราเดินตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพื่อนรักครับชีวิตที่เราเอาประวัติของใครนะของอัชฮาบุญชาฟีเน่ อย่าลืมว่าอัสฮาบุลกาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มไม่ใช่คนแก่อยู่ราวพวกเธอนี่แหละเขาผูกพันกับอัลลอฮ์นะนี่เรื่องที่หนึ่งนะคนหนุ่มอยู่ในาศาสนาของอัลลอฮ์คุรานมีฮะดิษมีว่างไงนะคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ได้ก็คือคนหนุ่มที่นะชาอฟีอิบาดะติรอบบี ه. จเจริญเติบโตมาอยู่กับการพักดีต่ออัลลัฮฺสุบฮานาวูวบะถาลาดังนั้นเรามีลูกเราก็ต้องการให้ลูกเรามีศาสนานะอยากให้ลูกมีศาสนาครับจะเรียนวิชาสามัญก็เรียนไปเถอะไม่มีปัญหาแต่ลูกต้องมีศาสนาพอมีศาสนาแล้วทำดีแล้วทุกเสียงทุกอย่างได้ดีหมดบ้านปลายเนี่ยสว่างโปร่งใสก็จะปลายอุโมงเห็นปลายอุโองค์สะอาดบริสุทธิ์นะครับ แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเลยนะมีให้ได้รับความอัปยศบนโลกดุนยาและก็การลงโทษในโลกอาคิเรอต้องขอดุอาต่ออัลลอ์เราอยู่บนดุนยาเบนี้สรุปนะอยู่เพื่อออกอาคิเรออยู่ไปเพื่ออะไรนะเพื่ออยู่พูดไหมดุนยาอยู่เพื่อออกส่วนอาคิเรอไปเพื่ออยู่อยู่ไปตลอดในโลกอาคิอรอ ไม่มีไม่มีหมดอายุไม่มีตายไม่มีป่วยอยู่ในนั่นตลอดไปถ้าอยู่ในสวรรค์นะอัลฮัมดุลิลลาห์แกไม่มีชราไม่มีเป็นไข้ไม่มีปวดหัวไม่มีไม่ต้องเข้าห้องน้ําแล้วก็ไม่ต้องฉี่ด้วยแล้วก็เยอะอันธาิดีเราโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์อายุทนายสบายสามสิบสามอัลฮัมดุลิลลาห์ชั้นนึ่งเลยไม่มีบวชแล้วไม่มีนมาศแล้วมีแต่อร่อยอย่างเดียวนะ س ب ا ن الله ุ م ب ه إلَه أنت أ س ت س ل ا م ر ح م ة الله وبركاته